แต่สุดท้ายลงเอยด้วยการเห็นรูปนามควบคู่กันเป็นธรรมนั่นเองอีกประการหนึ่งการจะตัดสินว่าเรารู้อยู่ในระดับไหนต้องถามด้วยความซื่อสัตย์ด้วยว่าใจจอยรู้อยู่กับอะไรเป็นปกติกายเวทนาจิตหรือธรรมและจะตัดสินว่าในแต่ละระดับมีความรู้ที่หยาบ หรือประณีตสุขุมเพียงใดก็ต้องดูว่าจิตเข้ารูปประธรรมนามธรรมโดยความไม่ใช่ตัวตนโดยความไม่รู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นปกติเพียงใดถ้าทำได้แวบเดียวต่อให้รู้สึกว่าเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งขนาดไหนก็เปรียบเสมือนเห็นแค่หนังตัวอย่างยังไม่ใช่ของจริงทั้งเรื่องหากเห็นสติปัฏฐานเหมือนงานประจา มีใจจดจอ่อมันสังเกตสังกาในรายละเอียดที่ผ่านเข้ามาจะพบว่าเราอาจได้แรงบันดาลใจหรือได้แง่ของการหรือเห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความไม่ทนความไม่ใช่ตัวตนในรูปแบบใหม่ๆจะ ก, กายบ้างจากความรู้สึกนึกคิดบ้างจากจิตบ้างย่งน้อยที่สุดก็วันละชั่ววูบทานองเดียวกับ เราขมักขเม่นทำงานที่รักแล้วมักได้แรงบันดาลใจหรือแนวคิดฉับพลันมาพัฒนางานให้ก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าเราสั่งสมเครื่องมือและพาหนะเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จไว้มากมายก่ายกองเมื่อพูดในแง่ของการสั่งสมตัวความรู้สภาวะธรรมแตกต่างจากเข้าของเงินทองตรวจนับ เป็นจำนวนไม่ได้แต่อาจสำรวจได้จากกำลังสติเบื้องต้นถามตนเองด้วยถามง่ายๆตามแนวสติปัฏฐานสี่เช่นหนึ่งโดยปกติเรามีความจอรู้หรือสังเกตอยู่ในขอบเขตของกายบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาการหายใจเข้าการหายใจออกการเดินยืนนั่งนอน ตลอดไปจนถึงการเคลื่อนไหวปลีกย่อยต่างๆ 2. โดยปกติเรามีความเจอรู้หรือสังเกตอยู่ในขอบเขตของเวทนาบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นนาทีนี้เป็นสุขมากน้อยกว่าเมื่อห้านาทีก่อนเพียงใดวันนี้เป็นทุกมากกว่าเมื่อวานแค่ไหนหรือโดยทัท่วๆไปเฉยๆนั้นเฉยแบบเอียงไปข้างพร้อมจะสุข เพราะสมหวังหรือทุกเพราะมีเรื่องให้คิดมากข้อสมโดยปกติเรามีความจ่อรู้หรือสังเกตอยู่ในขอบเขตของจิตบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นมีความหลงมีความเมือ่อหรือมีลักษณะตั้งมั่นภายในมากกว่ากัน4่โดยปกติเรามีความจ่อรู้หรือสังเกตอยู่ในขอบเขตของธรรมบ้างหรือเปล่าเช่น รู้เห็นอะไรสิ่งนั้นถูกรู้โดยศัก์แต่เป็นเครื่องระลึกว่าคือการแสดงฉากหนึ่งของความไม่เที่ยงความไม่ทนความไม่ใช่ตัวตนบ้างไหมสติปัฏฐานสี่และความเบิกบานสีแง่มุมเพื่อให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพของจิตที่เข้าถึงแก่นของพระาศาสนาเราลองตั้งมุมมองแบบรูปรัดกันทีเดียว คือคิดว่าจิตของพระอระหันต์ก็คือสภาวะหนึ่งถ้าบรรยายให้พออนุมานได้ควรจะมีคุณสมบัติหรือภาพลักษณ์ประการใดก่อนจะอนุมานก็ต้องมีเกณฑ์ในการอนุมานเช่นสภาวะอันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งสภาวะเหล่านี้พอจะทำความเข้าใจประสบการณ์แบบหยาบได้ในปุตชนทั่วไป แต่หากจะทำความเข้าใจในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระอรหันต์ควรมีหลักเกณฑ์มาซ้อนมาซอยให้ละเอียดลอยยิ่งขึ้นไปเกณฑ์นั้นก็น่าจะได้แก่ผลอันเกิดจากการดำเนินเข้ามรรคเข้าผลเป็นข้อๆคือทานศีลสมาธิและปัญญาถ้าหากตกลงกันว่าจะอนุมานสภาพจิตอันสมบูรณ์แบบของพระอรหันต์ตามแนวนี้ ก็ควรกล่าวดัง น, นี้แง่มุมแรกจิตนั้นควรจะมีความเปิดกว้างไม่ปิดแคบไม่รู้สึกอึดอัดคับข้องด้วยพิษของความเห็นแก่ตัวนอกจากเปิดกว้างแล้วก็ควรจะมีคุณสมบัติคู่ขนานกันคือความเยือกเย็นไม่รุ่มร้อนจากการผูกเจ็บคิดอาฆาตพยาบาทจองเวนอันนี้เข้าข่ายของความมีกระแสจิตไหลไปทางเดียวกับกระแสของฐาน เรียกว่าซัพพยทานบ้างอภยทานบ้างธรรมทานบ้างเห็นออกมาจากภายในว่าจิตตนเป็นทานจิตอยู่โดยปกติแง่มุมที่สองจิตนั้นควรมีความสะอาดผ่องใสไม่สกป ร, รกรกตรุงรังด้วยความคิดอันเป็นอกุศลประการต่างๆไม่มีความอยากทําร้ายใครอย่าต้องให้ถึงขั้นอยากฆ่า ไม่มีความโลภอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสมบัติอย่าต้องให้ถึงขั้นอยากลักขโมยไม่มีความอยากในกามหลงเหลืออย่าถึงต้องขั้นอยากลักลอบเป็นชู้ไม่มีความอยากพูดอย่างไร้ประโยชน์อย่าต้องให้ถึงขั้นอยากโป๊ปหมดเท็จไม่มีความอยากบริโภคเกินจำเป็นอย่าต้องถึงขั้นอยากกินกินเหล้าเมายา เขยนออกมาจากภายในว่าจิตตนเป็นศีลจิตอยู่โดยปกติแง่มุมที่สามจิตนั้นควรมีความตั้งมั่นนิ่มนวลไม่ซัดสายไม่แข็งกระด้างเพราะจิตขาดจากเหตุแห่งความเคลื่อนอันได้แก่กิเลสอย่างยากอย่างกลางและอย่างละเอียดเสียแล้วจิตจึงจับอยู่เฉพาะสภาวะที่รู้ได้ในปัจจุบันหรือแม้จะต้องคิด ก็ไม่ติดไม่หลงเตลิดไปเอาเงาในอดีตหรือว่าภาพลวงในอนาคตมารบ ก, กวนคุณภาพจิตได้อีกแง่มุมสุดท้ายจิตนั้นควรมีสติสมบูรณ์เบิกบานเป็นอิสระเต็มที่เพราะรู้เองโดยไม่ต้องพิจารณารู้เองโดยไม่ต้องระวังและหลงไปว่ามีสภาวะใดในสภาวะหนึ่งที่เป็นตนเป็นตัว เป็นที่น่าคาดหวังเป็นที่น่าพิสวาตแม้กระทั่งความหมายรู้หมายจำความรู้สึกนึกคิดและตัวของจิตเองยังจมแจ้งแทงตลอดว่าเป็นอนัตตาจะมีภาวะใดให้ยึดมั่นถือมั่นได้อีกลองอนุมานตามีตามเกิดว่าถ้ารวมเอาทุกแง่ทุก มุมที่กล่าวข้างต้นมารวมไว้ในจิตของบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่เคลื่อนจากความเป็นเช่นนั้นเลยจะน่าปรารถนาและคู่ควรแก่การเพียนทำให้ถึงพร้อมหรือไม่ขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้ความเบิกบานอันเป็นคุณสมบัติของจิตพระหันในแต่ละข้อมาตรวจสอบตนเองได้ด้วยว่าเราเองใกล้ความจริงเข้าไปหรือยัง ทั้งในส่วนของความสามารถที่ตั้งเจตนางดเว้นสิ่งที่เป็นโทษและในส่วนที่ของความสามารถที่ตั้งสติรู้สิ่งที่เป็นอนัตตาสรุปถ้าหากจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันด้วยการตั้งมุมมองเราก็ควรจะมองให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนการปฏิบัติธรรมก็คล้ายการออกเดินทางถ้าเริ่มผิดทิศ ก็จะเสียแรงเสียวเวลาเปล่าถ้าเริ่มถูกทิศแม้ช้าเหมือนเต่าครานก็ได้ชื่อว่าขยับเข้าใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกทีในการเดินทางนั้นเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับจุดหมายหรือยังแต่ในการปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นด้วยจิตชื่อว่ากิเลสคือโลภะโทสะและโมหะนั้นลดลงบ้างหรือยัง ความมหัศจรรย์ของมหาสติปัฏฐานสูตรพุทธพจน์ในอังคุตระนิกายเอกทุกติกนิบาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองของพระพุทธองค์ตรัสว่าดูกรรารพิสูุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึง่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกมาให้เหมือนจิตดูกรรารพิสูจทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกมาให้สิ่งที่น่าพิสวงที่สุดในโลกคือจิตเพราะหากปราศจากจิตโลกก็ไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่เพื่อสิ่งใดเลยและทุกก็เกิดขึ้นที่จิตดับลงที่จิตฉะนั้นสุดยอดแห่งเรื่องควรศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเพื่อตนเองตลอด จนเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายก็คือจิตที่อยู่ในวิถีทางแห่งการพ้นทุกข์และผู้ที่พบทางแล้วกล้าประกาศก็มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซาสดาอื่นผู้นำลัทธิอื่นแม้มีสาวกเลื่อมใสามากมายเพียงใดประกอบพิธีกรรมสูงส่งหรือว่าทรงพระคำพีอันควรคร้ามปานใด ก็ไม่กล้ารับรองโดยวาจาเลยว่าเมื่อปฏิบัติตามแนวทางของพวกท่านแล้วจะถึงซึ่งความดับทุกข์สนิทอย่างสิ้นเชิงในชีวิตปัจจุบันโดยมากก็จะเป็นสัญญาถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์หรืออัตมันอันทาวอนหลังการตายไม่มีสัญญาของการดับศูนย์แห่งทุกขโทมนัส อันประจักษ์ได้ในขณะยังดำรงชีวิตยอยู่เลยจุดนี้เป็นเรื่องหน้าอ้างอิงและกล่าวถึงบ่อยๆในศาสนาพุทธของเราไม่มีทุกขโทมนัตเลยนั่นแหละสุขอันแท้จริงกำจัดเชื้อแห่งทุกขให้ขาดสูญนั่นแหละถึงจะลิ้มรสอะไรที่เป็นนิรันได้จริงตั้งแต่ยังมีลมหายใจเมื่อศาสดาแต่ละพระองค์จากก่อตั้งศาสนานั้น ก่อนอื่นใดสุดท่านต้องแน่ใจในคุณธรรมและคุณวิเศษที่ตนมีอยู่กับทั้งมั่นใจว่าจะประกาศแนวทางปฏิบัติไปแล้วจะมีสาวกอันเป็นมนุษย์ธรรมดาสามารถยืนยันได้เป็นพยานได้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดผลคือคุณธรรมคุณวิเศษตามพระาศาสดาหาไม่แล้วาศาสนาจะทรงไวแต่เพียงเปลือกเช่นพิธีกรรมคำภี และสาวกผู้ประกาศตนว่าเลื่อมใสในองค์ท่านแต่เลื่อมใสเพราะเหตุใดไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดพูดให้ง่ายก็คือเมื่อพระาศาสดาจากโลกนี้ไปก็หมดสิ้นรู ป, ปรธรรมนามธรรมอันจะเป็นตัวแทนสืบต่อจากพระาศาสดาท่านเมื่อต้องการพยานหลักฐานในตัวบุคคลก็ต้องมีหลักมีลายลักษณอักษรถาวรเพื่อใช้สร้างบุคคล ที่จะเป็นตัวแทนพระศาสดาขึ้นมาลากดังกล่าวไม่ต้องขึ้นกับกาลสมัยไม่เลือกลำเอียงเพราะเผ่าพันธุ์ไหนรวมทั้งมีข้อแม้ว่าหลังการที่ท่านต้องปฏิบัติได้จริงง่ายต่อการทำความเข้าใจในลำดับขั้นต้นในลำดับขั้นตอนกับจะต้องกระชับพอสมควร เพราะแม้หนทางปฏิบัติจะถูกตรงจริงแต่ถ้ายืดยาวนะักก็อาจเกินกำลังปัญญาของมนุษย์ทั่วไปบทนี้มุ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าเริ่มศึกษาแนวทางปฏิบัติในพุทธศาสนาโดยเริ่มจากมหาสติปัฏฐานสูตรอันทรงความมหัศจรรย์ไว้ในเนื้อหาโดยตัวเองศึกษาแบบปรงใจยอมปฏิบัติตามด้วยความเคารพด้วยความไม่ละเลยแล้ว ก็จะเกิดมุมมองที่ชัดเจนว่าเรื่องของการปฏิบัติจริงนั้นมีขอบเขตเพียงใดรวมทั้งท่านศึกษาต่อในพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเอามกเอามักผลจริงๆก็จะเห็นความเชื่อมโยงตลอดสายเข้าอกเข้าใจเป็นอันดีว่าสูตรใดอยู่ในจุดไหนของมหาสติปฐานสูตรนอกจากนั้นถ้ายังไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเห็นว่ามหาสติปัฐานสูตรคือหลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงต่อไปใครจะมาไม้ไหนสอนผิดเทียนไปอย่างไรมากกว่าหรือน้อยกว่าที่จำเป็นเพื่อความตั้งจิตพร้อมบรรลุ ธ, ธรรมก็จะสามารถเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเป็นอันประกันว่าคุ้มครองตนเองรอดจากทางหลงผิดได้เด็ดขาดและ ไปนำความรู้จากมหาสติปัฏฐานสูตรมาประยุกใช้ในชีวิตจริงกระทำกายและใจของตนเสมือนห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการอันพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงในหนึ่งวันผลลัพธ์ย่อมจะเป็นมหัศจรรย์ประจักษ์จิตตนเองหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าแม้มหาสติปัฏฐานสูตรมีอยู่แต่ถ้าขาดคนลงมือทาจริงอย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่มีการค้นพบค่าชนิดนั้นของมหาสติปัฏฐานสูตรเลยจะยุคไหนสมัยใดก็ตามลองพิจารณาตามจริงเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆจะเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมัก บ, บานปลายแตกแขนงออกไปยิ่งกว่ารากไม้ใหญ่ได้เป็นหมื่นเท่าเพราะองค์ประกอบความรู้แต่ละชนิด มักมีความเชื่อมโยงไปสู่หน่วยอื่นๆไม่รู้จักจบรู้สิ้นเมื่อผู้ใดศึกษาหาความรู้วิเคราะห์วิจัยไปถึงจุดที่ได้ชื่อว่าสูงสุดหรือเป็นเพดานของศาสตร์หรือวิชานั้นๆก็มักมองเห็นคําถามอันเกิดจากคําตอบข้อสงสัยอันเกิดจากความกระจ่างหรือหนทางที่ล่อให้ก้าวไปอีกอย่างไร้ที่จบ เมื่อจะเขียนถึงแก่นของวิชาหนึ่งหนึ่งจึงอาจเป็นตำราได้นับไม่ถ้วนคบคิดและขีดเขียนกันได้เป็นปริมาณนับแสนหน้าโดยมีเนื้อหาแทบไม่ซ้ำกันเขียนอ่านและแก้ไขพัฒนาแล้วแล้วเล่าๆจนชั่วลูกชั่วหลานก็อาจจะไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึงคราวนี้เรามาคิดว่าถ้าพิมพ์มหาสติปัฏฐานสูตรออกมาในหน้ากระดาษ มาตรฐานปัจจุบันแล้วความยาวจะอยู่ในราวส6หน้าเท่านั้นแต่เนื้อหาสิบหหน้าซึ่งคนรู้หนังสือทั่วไปสามารถอ่านจบภายในวันเดียวนี้เองครอบคลุมคุณสมบัติอันน่าอัศจรรย์ใจประการต่างๆมากมายสำคัญคือเรียนแค่นี้ถ้ารู้จริงแล้วจบไม่ต้องต่ออีก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบรรยายคุณลักษณะของพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานบริบูรแล้วในสามัญญาผลสูตรมีความว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรรมจันทร์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีต้องหมายเหตุไว้นิดหนึ่งด้วยว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ ของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงอย่างที่ไม่มีกิเลสไม่มีอุปทานครอบงำจิตให้ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดๆเป็นตัวเป็นตนพระอาหารหันต์ท่านไม่ต้องขวนขวายพยายามอีกเลยมีสติบริบูรณ์อยู่เองว่าใดๆเป็นอนิจจังทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ว่าจะจบกิจในสติปัฏฐานสี่แล้วกลายเป็นหุ่นปั้นที่ตั้งไว้เฉย ปราศจากกิจอื่นในโลกดังหลายคนเข้าใจกันความปรากฏอยู่ในโลกของท่านที่จบกิจในสติปัฏฐานสี่โดยบริบูนนั่นแหละกิจทั้งปวงอันเป็นคุณใหญ่ของพวกท่านที่มีต่อมหาชนนั่นแหละคือเครื่องสะท้อนให้เห็นความอัศจรรย์ขั้นสุดยอดของมหาสติปัฏฐานสูตรความอัศจรรย์ประการต่างๆของมหาสติปัฏฐานสูตรในความยาวสิบหน้าที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ จบแล้วไม่ต้องต่อดังกล่าวแล้วนั้นส่งความอัศจรรย์พอจำแนกโดยคร่าวได้ดังต่อไปนี้ความเป็นหลักของธรรมสาคัญสูงสุดลองตั้งคำถามดูว่าถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งคัดลอกเฉพาะเนื้อหาในมหาสติปัฏฐานสูตรออกมาเป็นเอกสารชื่อว่าวิธีดับทุก์โดยไม่บอกชื่อผู้เขียนไม่มีการขยายความไม่มีการเป่าประกาศ ว่าวิธีดับทุกนี้เป็นสมบัติวิเศษของศาสนาไหนหรือมีประจักษ์พระยานอันเป็นตัวบุคคลมากน้อยเพียงใดเหลือแต่พระพุทธวจนะล้วนๆเอาวางไว้ในที่ที่คนสแสวงหาพ้นทุกจะพบและหยิดฉวยกลับบ้านได้เขาอ่านแล้วไม่ละเลยแม้สักหนึ่งคำแล้วเห็นทุกคำว่ามีค่ากว่าทองคำควรบ่นท่องจนขึ้นใจแล้ว ทดลองปฏิบัติตามแบบไม่ข้ามขั้นแล้วจะมีสิทธิ์หมดทุกหมดโศเข้าถึงมรรคนิพานได้หรือไม่เพราะตัววิธีที่แบ่งเป็นบับต่างๆแสดงชัดนับแต่เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นของธรรมดาอยู่ใกลๆก็รู้ได้ฝึกรู้ลมหายใจแล้วค่อยๆพัฒนาสูงขึ้นแบบขั้นบันไดความหมายของบับอย่างหนึ่งคือขั้นบันได อ่านว่าบัพพะไปจนกระทั่งรู้อริยสัจอันลึกซึ้งเกินความคาดเดาผลนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามลำดับขั้นจะเป็นพื้นยืนให้ต่อยอดรู้เห็นความจริงในรูปนามเสริมกันยิ่งยิ่งขึ้นจนถึงยอดสุดทั้งนี้จากการตั้งมุมมองไว้ดังที่เคยกล่าวแล้วคือจิตจะพ้นจากทุก์ก็เพราะมีตัว ทำให้หลุดจากอุปทานยึดมั่นถือมั่นการทำไว้ในใจตามกระบวนวิธีของสติปัฏฐานย่อมเป็นเพียงพอแก่การทำลายอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นตัวเป็นตนอย่างแน่นอนความเป็นหลักเริ่มต้นของทิฏฐิถ้าพิจารณาว่าทิฏฐิหรือการตั้งมุมมองให้เกิดความเห็นหรือการเชื่อถือทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึง่งไว้ในใจ เป็นเรื่องสำคัญสูงสุดในอันที่จะทำให้บุคคลพึงเข้าถึงหรือหลงพลาดจากทางไปนิพพานก็สามารถมองได้ว่าอา่านมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วจะตั้งทิฏฐิให้ถูกต้องได้อย่างหมดจดทั้งนี้ก็เนื่องจากพระพุทธเจ้ากำกับสำคัญไว้ทุกหมวดทุกบับตลอดสูตรว่าเห็นอะไรรู้เข้าไปในอะไร ก็ให้มองอะไรนั้นเป็นอนัตตาจนสิ้นเมื่อเราอ่านหลักการปฏิบัติชัดว่าให้ดูเข้ามาที่กายดูเข้ามาที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจตลอดจนกระทั่งความหมายรู้หมายจําโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนก็ไม่อาจจะหลงเหลือเยื่อใยสิ่งให้ตีความเป็นตัวตนได้อีกขณะจิตหลุดพน้นท่านก็ยังมองเห็นภาวะหนึ่งเท่านั้น เป็นหลักสร้างสติชอบในวงการนักภาวนาจะเป็นที่ทราบกันว่ามีเรื่องยากยิ่งประการหนึ่งคือการสร้างความระลึกชอบหรือสัมมาสติหรือให้ง่ายคือความรู้ตัวเป็นแลแต่ใครถนัดเรียกโดยมากก็มักจะรู้เข้าไปในรูปหรือนามด้วยการเพ่งยึดอย่างแข็งทื่อหรือเบลบ ล, บลไม่ใช่รู้เห็นด้วยลักษณะจิตที่เป็นกลางนิ่งนวล อ่อนควรต่อการวิปัสนาดังพระพุทธเจ้าตั้งมาตรฐานไว้แม้มีครูคอยกำกับคอยชี้แนะกันตรงๆก็อาจจะต้องอาศัยเวลาหลายปีกว่าจะที่ลักษณะรู้ดังกล่าวจะเข้าที่เข้าทางเป็นธรรมชาติถ้าใครได้ทดลองอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจอุทิศให้กับการปฏิบัติสติปัฏฐานตามลาดับขั้น ก็จะพบกับความประหลาดใจในความผูกโยงระหว่างความรู้ตัวระดับหนึ่งกับระดับถัดไปตรงนี้หากใครเคยผ่านความลำบากในการพยายามปรับลักษณะจิตให้ระลึกชอบเป็นแรมปีด้วยสารพัดอุบายก็จะช่วยกันยืนยันได้ว่ากลวิธีของพระพุทธองค์นั้นก็เปรียบเสมือนคู่มือนักกีฬาที่เปลี่ยนหน้าใหม่อ่อนหัดให้เป็นมืออาชีพเจนจัด ได้ในเวลาลัดสั้นที่สุดถ้าอ่านครบและแม่นหลักการจริงก็ไม่ต้องมีช่วงเวลาของความท้อถอยเนื่อนนานนกเนื่องจากแนวของพระพุทธเจ้าไม่แน่ให้คาดหวังหรือทำอะไรเกินตัวมีแต่ข้อปฏิบัติที่เป็นไปได้ตัดสินได้ว่าขณะหนึ่งๆความรู้อะไรก่อนอะไรหลัง ความเป็นหลักที่ง่ายต่อการเข้าใจด้วยอุบายเปรียบเปลยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมนั้นพระองค์จะมีหลักประการหนึง่งคือทำของยากให้เป็นของง่ายจดจำไว้เพื่อกระทาจิตตามโดยสะดวกยกตัวอย่างเช่นวิธีรู้ลมอย่างต่อเนื่องเป็นสมาธินั้นท่านนำลมหายใจไปเปรียบกับการชักเชือกเมื่อชักสั้นก็รู้ว่า สั้นเมื่อชักยาวก็รู้ว่าชักยาวจุดหมายอยู่ที่การสร้างสติรู้เหมือนในช่างกลึงผู้ขยันผู้ปฏิบัติตามก็จะพบว่าเบื้องต้นแล้วการกำหนดด้วยใจท่าทีใดๆนั้นสำคัญมากจะเนียวนำจิตให้ตั้งรู้อย่างเป็นธรรมชาติหรือว่าผลักไสจิตออกไปจากความรู้สภาวะธรรมหนึ่งๆก็ขึ้นอยู่กับ มุมมองภายในอันถูกต้องหรือว่าผิดพลาดนี่เองท่านนี้ขยายความต่อไปว่าก่อนพระพุทธองค์จะให้เป็นในช่างกรึงผู้ขยันเบื้องต้นท่านให้รู้เรียบง่ายเป็นธรรมดามากกว่านั้นความเป็นหลักการที่ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติไม่ว่าจะบินสูงถึงเพดานไหนชั่วโบงบินมากน้อยปานใด มหาสติปัฏฐานสูตรสามารถตอบคำถามที่เกิดจากการปฏิบัติได้ถี่ถ้วนทุกข้อแต่ต้องอ่านละเอียดต้องทำความเข้าใจกับคำแม้เล็กน้อยเช่นอภิชาและโทมนะัตซึ่งจะแจกแจงขยายความข้างหน้าเมื่อใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งแล้วพอติดปัญหาใดลองกลับมาอ่านใหม่แบบประกอบความเชื่อมโยงกันก็จะพบคำตอบอยู่ในที่นั้นเสมอ อันแสดงให้ประจักษ์ว่าพระพุทธองค์จำแนกวิธีการไว้อย่างกระชับรัดกุมและคุมกันอย่างฉลาดแหลมลึกซึ้งพุ่งตรงเข้าเป้าหมายเดียวคือปรับสภาพจิตให้ประกอบพร้อมด้วยสติรู้อย่างถูกต้องขณะเดียวกันเมื่อเจอเครื่องกีดขวางก็มีทางหลบเลี่ยงหรือขจัดทิ้งอยู่พร้อมสรร์ความเป็นหลักตรวจสอบว่ากาลังทาอะไรถึงขั้นไหน ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องความลังเลสงสัยหรืออยากรู้ว่าตนเองมาถึงขั้นไหนแล้วอันนี้ก็าหากว่าอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรจนขึ้นใจก็จะพบกับมุมมองที่ชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าดังเช่นที่กล่าวแล้วในบทที่หนึ่งว่าดูกายเวทนาจิตหรือทำได้อย่างเป็นปกติอย่างไรก็ถือว่าจิตมีความรู้ละเอียดในระดับนั้น เช่นถ้าเห็นส่วนของธรรมได้เหมือนขนมก็ชื่อว่าขยับใกล้สู่ความพร้อมรู้อริยสัจเข้าไปทุกทีความเชื่อมโยงกับสูตรอื่นๆนับเป็นวา ส, สนาของยุคเราประการหนึง่งนอกจากจะมีการดำรงไว้ซึ่งสูตรสำคัญเพื่อปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วยังมีพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติอื่นๆที่อาจมองได้ว่าเป็นกิ่งก้านสาขา หรือการซอยรายละเอียดแยกย่อยเข้าหลักสูตรใหญ่ออกไปยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าให้หลักกว้างๆไว้ในหมวดธรรมานุปัสสนาว่าพิจารณาพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วดูว่าอย่างไรจะดับพยาบาทได้ทําอย่างไรจะไม่พยาบาททําอย่างไรจะไม่ให้พยาบาทเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปได้สารพัดวิธีขึ้นอยู่กับบุคคลเช่นบางรายเหมาะกับการคิดปรงอย่างเดียวพระพุทธองค์ทรงแนะให้เปรียบเหมือนของร้ายที่ควรละประการต่างๆในสามัญญผลสูตรแต่บางรายสามารถตั้งจิตให้เป็นธรรมคั่ตรงข้ามกับพยาบาทโดยตรงอันให้ผลลัดธ์ทางและอ น, นิสงภัยสาร ว่าคิดปรงเฉยๆขอภัยนะคะไพศาลกว่าคิดปรงเฉยดังแสดงในมหาราหุโลวาดสูตรพระพุทธเจ้าจะทรงแนะพระลาหุนให้เจริญเมตตาภาวนาเพื่อการละพยาบาทเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสูตรอื่นที่มาประกอบเข้ากันได้กับหมดต่างๆ บับต่างๆของมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อเป็นแนวทางภาวนาที่สมบูรณ์เยี่ยมดังจะยกตัวอย่างข้าง